สิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ําไม่ได้ขนาดเรื่องภิกษุณีฉาวพกคี887สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตาวันรามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีใช้ผ้าอาบน้ําพวกภิกษุณีฉาวพกคีคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตผ้าอาบน้ําแล้ว พากันใช้ผ้าอาบน้ําไม่ได้ขนาดเดินเที่ยวย้อยข้างหน้าบ้างย้อยข้างหลังบ้างบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโผลนธนาว่าเไหนพวกภิกษุณีฉาวบัคีจึงใช้ผ้าอาบน้ําไม่ได้ขนาดเล่าครันแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุต่างๆให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ